นโมตัสสะกวัโตอรหโตสัมมาสัมบุตตนะโมตัสสะกวัโตอรหโตสัมมาสัมุตนะโมตัสกวโตอรหโตสัมมาสัมุตัสสะสุดสูัง ระพเตปัญญติอิมัจสัตมัปริยายัตสัภัตโธซาธายัตสมนเตหิสกจังธรมโอโซตปตบดี <c oughs> จะได้แสดงธรรมที่มีในพระพุทธศาสนาในแก่คำสอนของท่านผู้รู้คือพระพุทธเจา้าเราท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมกันทั้งกายและใจ มาร่วมชุมนุมกันในที่นี้เราทุกท่านต่างก็มีความตั้งใจต่อกา ร, รพฤติปฏิบัติตนของตน ให้เป็นไปตามํำนองครองธรรมซึ่งเรียกว่าพระพุทธศาสนาเบื้องตน้นเราท่านทั้งหลายจะพึงได้ ก็ได้แก่ความรู้ซึ่งจะเป็นสื่อนำให้เกิดความเข้าใจความรู้ในเรื่องของพระศาสนากล่าวคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะพึงได้ มีในตนของตนแต่ละบุคคล น, นั้นความรู้ความเข้าใจนั้นย่อมจะเกิดขึ้นหรือมีที่มาหลายทางด้วยกันไม่เฉพาะ แต่การอ่านการท่องการทรงจำและนำไปคิดได้แก่อาสัยจักษุคือในตาโดยส่วนเดียวแล้วให้เกิดความรู้ได้ความรู้และเป็นคนมีความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนา ก็หาไม่ได้แม่ทางโสตประสาทคือหูของเราก็ย่อมเป็นบ่อกเกิดหรือที่มาแห่งความรู้เรื่องของภาสาศาสนาและอื่นๆ <c oughs> ได้เช่นเดียวกันกับทางตาดังนั้นจึงปรากฏ มีอยู่ในคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมว่าสุดสู้สร้างระพเตปัญญ์ซึ่งแปลเป็นใจความว่าการสะดับรับฟังด้วยดียอมได้ปัญญาดังนี้ ปัญญาได้แกคค่ความรู้ความเฉลียวฉลาดความรู้ด้วยความฉลาดนี้ย่อมกินความกว้างปัญญานี้ย่อมเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นในตัวตนของพวกเรา ได้ในทางการฟังซึ่งเรียกว่าสุดสู้สังการได้ยินได้ฟังอยู่เสมอหรือบ่อยๆย่ยอมจะเป็นเหตุให้เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่แปลกๆซึ่งเราไม่เคยฟัง แต่สิ่งที่เราเคยฟังแล้วฟังบ่อยๆก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นทรงจำได้นอกจากจะทำให้เราได้รับความรู้และจดจำนำไปคิดพิจารณาหาเหตุผล ทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดตามกำลังของสติปัญญาของแต่ละบุคคลจะพึงค้นคิดพิจารณาได้ควางแคบอาจจะไม่เหมือนกันแล้วผู้มันฝัง อยู่เสมอและ ก, ก็ตั้งใจฟังโดยถูกต้องด้วยดีตามหน้าที่ของเราผู้ฟังนอกจากใจ้เกิดความรู้ดังที่กล่าลวแล้วก็สามารถที่จะทำจิตใจของเราผู้ฟังด้วยดีนั่น ให้ได้รับความสงบเกิดความสงบเยือกเย็นหรือเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจในธรรมหรือในสิ่งที่เราตั้งใจฝังนั้นและก็ในที่สุดก็สามารถ ดับร้อนดับความร้อนและยังความเย็นให้เกิดขึ้นภายในกายในจิตของตนได้ด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาได้สืบต่อมาถึงพวกเราในกาลปัจจุบันนี้ ก็สืบมาจากพื้นฐานของท่านผู้ที่มีสติปัญญาทรงจำไว้ได้ด้วยใจด้วยสติอันมั่นคงเพราะการสดับรับฟังทางศีล คำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณภายใต้ต้นโพธิพฤกษ์อย่างที่พวกเราทราบ ก, กันแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงตัดสู้พระสัมมาสัมพุทญาณ ปรากฏขึ้นแล้วได้ทรงทักท่อนยอนขว ร, รากายด้วยวิยาบทต่างๆพอสมควรแรงได้ทรงพิจารณาในอันที่จะ เผยแพร ь, ทำคําสอนที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนั้นไปสู่เวนัยสั์ผู้ที่ถูกความทุกข์ความเร่าร้อนเปรียบเสมือนเพลิงแห่งความทุกข์ได้แก่ความเกิดแก่เก็บตาย รอบงำอยู่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงคิดได้จึงได้นำคำสอนที่พระองค์ทรงรู้และเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกยากต่อบุคคลผู้มีอุปนิสัยหรืออินทรีย์ น้อยต้อยต่ำจะพึงรู้ตามได้ในปัจจุบันดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงนำคำสอนนี้ไปแสดงแก่นักบวช ด, ด้วยกันก่อนได้แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าปัญจวิวัคคีทั้งห้านี้ ได้ชื่อว่าเป็นนักบวชมุ่งอัดมุ่งท ร, ร ม, มุ่งการพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ทาว่าเป็นวิสัยของพุทธสาวกนักบวชทั้งห้าจึงยับยัง้งรอคอยการตัดสรุปของพระพุทธเจ้า โดยปริยายดังนั้นพระพุทธเจา้าได้ทรงแสดงธรรมแก่นักบวชก่อนก่อนคารวสาจนในที่สุดได้สกีพยานในการตัดสรุ้ธรรมในการพ้นอสวกิเลต ทั้งหลายทั้งปวงของพระองค์สักขีพยานในองค์แรกได้แก่รพระัญญาโกลัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแล้วก็ได้ประกาศว่าัญญาคนทัญญารู้แล้วหนอปัญญาโกลัญญารู้แล้วหนอดังนี้ นั่นคือคําประกาศของพระพุทธเจ้าว่าอัญญากุณทัญญัได้จักสุขคือดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้จึงได้พุทธสาวกเกิดขึ้น ก็เกิดมาเป็นเครื่องรับรองในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนั่นพระัตนตรัยได้แก่พระพุทธประธรรมประสงค์ได้บัติขึ้นในโลกโดยสมบูรณ์ในสมัยครั้งปฐมโพธิการ จวบจนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานนับได้เป็นจำนวนร้อยปีเศษสองร้อยกว่าปีเศษคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ถูกจารึกลงเป็นรายลักษณ์อักษร ซึ่งเรียกว่าพระคมภีทั้งนี้ก็ได้แก่ท่านผู้รู้พุทธสาวกในยุคนั้นสมัยนั้นได้ไข่ควนพิจารณาเห็นว่าในการข้างหน้าคือนุชนรุ่นหลังในการละข้างหน้านั้นย่อมจะเป็นผู้ที่ลดน้อย ด้อยลงด้วยปัญญาไม่อาจที่จะทรงคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าไว้ได้โดยถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์เท่ากับว่าพุทธสาวกในยุคนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมองเห็นในการไกลจึงได้จะรึกลงไปเป็นนามรรักอักษร ดังนั้นก่อนแต่จะมีรายลักษณ์อักษรก็เท่ากับว่าพุทธสาวกทั้งหลายได้มีส่วนสืบทอดอายุพพุทธศาสนาคือทรงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แม้พระองค์เสด็จดับขันแล้วเป็นร้อยร้อยปีด้วยการทรงจับ ไม่ได้มีหนังสือเพื่อทรงความจำหรือทบทวนฟื้นฟูความจำเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันดังนั้นสุดสู้สั่งละปเตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ย่อมมีความสำคัญดังที่กล่าวมาและสำคัญสืบมาจนถึงในยุคสมัยพวกเราทันทั้งหลายการที่บุคคลที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลก และนำมาบริหารชีวิตของตนความรู้มากไม่น้อยที่เราได้นอกจากโรงเรียนได้แก่ความรู้ที่เราได้มาจากครูทั้งหกได้แก่ตาหูจมูกรินกายและใจของเราเอง ในขณะที่เราได้เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกรู้รส ด, ด้วยรินรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายรู้ความนึกคิดอดีตอนาคตด้วยใจของเราสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ธรรมดาของคนและสัตว์โดยเฉพาะคือมนุษย์ย่อมเป็นเจ้าความค้นคิดและปรุงแต่งอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติหรือธรรมดาของจิตเพราะฉะนั้นคำว่าจิตหรือว่าจิตะตะแปลว่าจิตนี้จึงเป็นเจ้าความคิดนั่นเอง ทำว่าจิตของเราแต่ละบุคคลได้แก่เจ้าความคิดนอกจากจะเป็นเจ้าความคิดแล้วเป็นเจ้าปรุงแต่งแล้วก็เป็นเจ้าสั่งสมไม่ได้คิดทิ้งปรุงติ้งปรุงทิ้งแต่งทิ้งยังสั่งสมเก็บไว้ภายในจิตนั่นเอง ไม่ว่าเรื่องนั่นจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดจะเป็นสุขเป็นทุกข์เสื่อมหายณนะหรือจเจริญจะถูกบรรจุลงไว้ภายในจิตใจของเราทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องชังต้องการและไม่ต้องการเมื่อกล่าวจันๆว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้ผ่านพิภพคือจิตตะได้แก่ใจแล้วจิตนั้นจะไม่มีการปล่อยให้ล่วงเลยไปโดยไม่มีการคิดและกระปรุงแต่งหรือสั่งสมก็ไว้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล ว่าทุกๆอย่างที่เราได้ประสบประการในชาติปัจจุบันที่ตนเกิดในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะหลุดลอยไปจากความสำนึกความรู้สึกนึกคิดได้แก่จิตใจของเราเขาจะถูกบรรจุกเก็บไว้อย่างมิดชิด แล้วก็อย่างดีทั้งของดีของรักของชอบของสงวนทั้งที่ของตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเมล็ดพืชซึ่งมีคุณลักษณะแต่ละขั้นตอนนั้นต่างกันออกไป เมื่อเกิดแรกแรกมันก็ยังไม่แสดงคุณค่าอันสูงสุดของมันไม่ว่าอะไรท้งนั้นอย่างพริกคุณค่าอันสูงของมันก็คือความเผ็ดแต่เมื่อมันแรกเกิดนั้นมันอาจจะไม่มีรสเผ็ดเลย รสหอมในเมื่อมันแก่และมีดิศผิดเต็มที่ตามหน้าที่ของมันก็ไม่มีเมื่อมันยังอ่อนอยู่มันจะไร้ความเกล็ดและกลิ่นของมันก็เหม็นเขียวด้วยไม่ชวนกินเมื่อมันจเจริญเติบโตทิ้งความอ่อนไปสู่ความแก่ สีของมันก็เปลี่ยนส่วนความเจริญเติบโตกไม่ต้องผูกรสของมันก็เปลี่ยนเมื่อมันแก่ถึงที่สุดมันก็จะแสดงฤทธิ์ถึงที่สุดเมื่อมันแก่เต็มที่แล้วมันก็สามารถที่จะเก็บทุกๆุกอย่าง ที่ก่อให้มันเกิดได้แก่ต้นเปลือบราต้นกิ่งก้านดอกใบรากเล็กน้อยใหญ่รวมทั้งรสทุกระดับระขั้นตอน่อจะถูกบรรจุอยู่ภายในมเมร็ดของมันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อมเมล็ดของมันนั่นไปตกลงสู่พื้นปตพีที่มีแสงแดดส่องถึงมีอากาศดีดินดีปุ๋ยดีน้ำดีมันก็จะงอกเหนื่อยปรากฏเลื่องต้นขึ้นมาและ ก, ก็จะตกดอกออกผลมีคุณค่า อย่างที่เราเคยได้ริมรถทุกประกาศอันนี้ชั้นใดจิตวิญญาณหรือวิญญาณธาตุของหมู่มวลมนุษย์ก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ถึงขั้นของการแตกดับพัดพรากเพราะมัจจุคือความตายได้คืบขานเข้ามาถึงาธาตุขันยตนะอันได้ชื่อว่าปรากฏในสิเรละร่างกายของเราทุกส่วนได้ถึงความแตกไม่สามารถที่จะเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน อย่างเช่นปัจจุบันนี้ได้ต่างคนต่างแตกกายของเราก็แตกทวานทั้งหลายทั้งปวงก็แตกอายตนะก็แตกแตกหมดพัทงทลายหมดเราจะเก็บเผาฝังจีกันหรือไม่ก็ตามเขาก็ย่อมจะ ค่อยละลายสลายตัวไปโดยลำดับไปโดยลำดับจนในที่สุดจะไม่มีอะไรปรากฏเหลืออยู่ทราบลักษณะของความว่าเป็นคนและสัตว์เป็นหญิงหรือชายสิ่งที่ถูกสมมุติต่างๆเพื่อให้เกิดผลคือความเข้าใจ ในร่างกายทุกอย่างมันก็จะค่อยมาลายหายไปกับความเปื่อยเน่าของสรีระมันจะพ้นไปจากความสมมุติไปโดยลำดับไปโดยลำดับเมื่อในที่สุดคำว่า คนหญิงหรือชายปฐมวัยมัธยมวัยปัตชิมวัยล้วนแล้วแต่สมมุติมันก็จะหลุดไปพร้อมพร้อมกันกับความสลายของสรีระร่างกายเมื่อเขาแตกละลายสูญ ไปจากภาวะที่ถูกสมมุติ่ปเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นหัวนั่นเป็นแขนนั่นเป็นขานั่นเป็นลำตัวนั่นเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเหล่านี้เป็นต้นมันพังถึงที่ใดมันก็ถอนสมมุติ สมมุติกระลายไปด้วยในที่นั้นแต่นี่เมื่อเขาละลายละลายไปไหนท่านผู้รู้ได้แก่พระพุทธเจา้าทรงตรัสและกระชี้ให้พวกเราผู้ฟังด้วยดีและก็ตั้งใจปฏิบัติด้วยดี ให้ได้ศึกษาเห็น ร, รู้ชัดจนกว่าจะรู้ชัดขึ้นในจิตของเราก็มันวางอยู่บนอะไรมันอยู่บนพื้นปฐพีมันก็ละลายไปสู่ปฐพีคือดินดินที่เราอาศัยปลูกสร้างนั่งทับนอนทับอยู่นี่แหละ ส่วนที่เป็นดินมันก็ไปเป็นดินส่วนที่เป็นน้ำมันก็ไปเป็นน้าน้ำทุกชนิดซึ่งเราสมมติเพื่อเกิดความเข้าใจว่า น, นี่คือน้ำเลือดคือน้ำหนองน้ำลายน้ำเหงือ่อเหล่านี้เป็นต้นเราก็มองดยสิว่าโบราณ ท่านกล่าวไว้ว่าอดน้ำให้ขึ้นเขาอดข้าวให้ลงทุ่งเราไม่เชื่อและก็ไม่เคยประสบประการเราก็ไม่เชื่อว่าโบราณนั้นพูดเหลวไห่ ขึ้นเขามันจะมีน้ําที่ไหนมันก็มีแต่หินและทรายเราก็อาจจะมองความจริงอย่างที่เรารู้อย่างนี้แต่ความจริงนั่นนะ่ะมันมีมีมากกว่าที่ลุ่มซะด้วยมันมีเพราะอะไรเพราะภูเขามันไม่ได้มีแต่หินกวดหินล้นๆมันมีต้นไม้ อะไรตัวมีอะไรแรกว่าคำว่าเขาภูหินหินนั่นมันอาจจะมีลืกมีพโพรงแม้แต่ในตัวของมันก็สามารถที่จะดึงดูดเอาน้ำเข้าไปไว้ในตัวของมันได้เช่นเดียวกับต้นไม้ เพรนเมื่อเราไปตามระหว่างภูเขาซึ่งมันมีทรายมีอะไรเราไปคุยทั้งๆนี่มันไม่มีน้ําคุยไปคุยมาเนี่ยมันก็ออกอย่างนี้มันสมจริงอย่างโบราณท่นว่าเพราะฉะนั้นในพื้นปฐพีนั่นนะมันก็มีน้ำแทรกซึมเจือปนอยู่ในที่ทั่วไปตื้นหรือลึกมากหรือน้อยเท่านั้นแต่นี้ฉันใด ก็เหมือนกันน้ามันซึมอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ร e ja <spe c! S 1> um ู้ว่ากี่ลิตรน้าเลือดตามรับของแพทย์เขาก็มีต้องหลายสิบลิตรอย่างนี้เป็นต้นมันอยู่ได้ยังไงทั้งๆที่ตัวเราก็กว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งหนาหนึ่งคืบเท่านั้นกว้างหนึ่งสองเท่านี้มันก็สามารถบรรจุน้าโดยเะพอะเลือดนี่เป็นจำนวนลิตรๆ และก็ไหลลิดเมื่อเราพิจารณามองดูแล้วร่างกายของเรานั้นมันเกิดแตกสลายน้ํามันก็ลงไปเป็นน้าเออป่าซึมซาบลงไปในดินเหมือนกับซึมซาบอยู่ในกายของเราส่วนลมเมื่อปรากฏมีตัวตนลมที่อยู่ในช่องท้องหรือในที่ว่าง ลมังมีอยู่ในรำไ้ช่องตาช่องหูช่องจมูกระหว่างนิ้วลมพัดขึ้นเบื้องบนก็ทำให้เราเรอไปดันนอสเรตซึ่งทำหน้าที่ของการปกปิดกิน่นอาหารที่เรารับทานลงไปเพืยวหวานมันเค็มเผ็ดเย็นและร้อน ให้เป็นกลิ่นตามออกมาลมเบื้องต่าก็ทำให้เราผายลมถ้ามันมีอยู่ในลําไส้ในช่องท้องมันก็จะรั่นอกอากไปหมดทำให้เราเกิดมีอาการแน่นท้องแน่นหน้าอกถ้ามันกําเริบขึ้นมามันผิดปกติลมวิกลวิการไปเรียกว่าลมพัดขึ้นเบื้องบนเบื้องตำ่ำลมในท้องลาไส้ ในที่สุดก็คือลมหายใจอันเปรียบได้กับตัวชีวิตของเราเมื่อคนเราตายเพราะลมนั้นดับเพราะลมนั้นหยุดเดินไม่เข้าไม่ออกคนเราตายถ้ายังมีลมอยู่ตามใดนะถึงแม้ส่วนอื่นจะตายชีวิตของเราก็ยังมีอยู่ อย่างแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาหรือมันจะซีกตัวหนึ่งรมมันเดินไม่ถึงเพราะรมมันเป็นสื่อถ้ามันเดินไม่ถึงไฟมันก็ไปไม่ได้น้ำมันก็ไม่ไหลหลังไหลาทางเทได้แก่น้ำเลือดมันก็ไม่ทำหน้าที่ของมันมเรียกว่าตายกายซีกนั้นมันก็เย็น กระดุกกระดิกก็ไม่ค่อยจะไว้อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละเพราะลมมันเดินไม่ถึงแต่นี่ถ้าเกิดมันหยุดเดินขึ้นมาแต่สิ่งนั้นมันตายแล้วถึงแม้มันจะตายมาแค่เิวจากบันิวลงไปหาปลายเท้ามันตายหมดไม่มีความรู้สึกแต่ลมหายใจยังมีอยู่ผู้นั้นก็ยังมีชีวิตคือยังไม่ตาย อย่างแท้จริงถ้าทุกส่วนยังสมบูรณ์ดีถ้าเกิดลมหายใจเข้าออกไม่มีผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าตายเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบลมเหมือนกับตัวชีวิตเมื่อลมดับแล้วไฟก็ดับเพราะฉะนั้นคนตายนั้นจึงเย็นภายในส0สบนาทีนี่จะเย็นขึ้นมามันก็ต้องเย็นสิ ก็เหมือนกับดินหรือเหมือนเราเอาหินไปทิ้งลงไปในน้าแช่อยู่ในน้าสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือเป็นวันหยิบขึ้นมามันจะเย็นเย็นกว่าหินอยู่ข้างบนอันนี้ฉันใดเมื่อลมดับไฟดับความอุ่นไม่มีในกายเหลือธาตุดินกับน้ามันชุ่มแช่ธาตุดินมันชุ่มแช่อยู่ด้วยกับน้ำมันก็ต้องเย็น ทั้งเย็นแล้วทั้งแข็งนี่หลังจากนั่นแล้วมันก็ทำตามหน้าที่ของมันมันจะหายจากแข็งมาเป็นนิ่มเพราะมันเริ่มสลายตัวของมันเพราะฉะนั้นลมนีนะ่จึงเป็นตัวชีวิตทำให้ร่างกายของเราอยู่ในความเป็นปกติเมื่อมีลมไฟมันก็ ทำตามหน้าที่ของมันนันนี่แหละถ้าเราฟังอย่างนี้ฟังด้วยดีและกำหนดด้วยดีมนัสิการทำไว้ในใจด้วยอุบายที่แยบขายหมายถึงเป็นผู้มีสติระรึกและกำหนดรู้อยู่โดยการอย่างนี้ แม้จิตผู้นั้นจะได้รับความรุ่มร้อนด้วยเพลิงของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ต่างก็สามารถที่จะระงับดับเย็นไปจากกายและจิตได้นี่แหละฟังด้วยดีนอกจากจะได้ปัญญาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปคนคิดพิจารณาแล้วในขณะเดียวกันผู้ฟังด้วยดีนั้นจิตของผู้นั้นย่อมเกิดความเยือกเย็นเกิดความสุขความสบายจิตของผู้นั้นย่อมเกิดความสงบเกิดความระงับดับความร้อนและก็ยังความเย็นให้เกิดขึ้น เราท่านทั้งหลายเมื่อได้ประสบผลเพราะการฟังโดยการอย่างนี้เราก็จะไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจา้าซึ่งจะมีมากถึง 84,000 พันระธรรมขันธ์ก็ตามขึ้นชื่อว่าคำสอนทั้งหมดถูกและผิดชั่วและดีบุญและบาปเราจะไม่สงสัยเลยเพราะอะไร ก็ความจริงได้ประจักษ์แก่ตาใจของเราเพราะฉะนั้นการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาดังที่กล่าวมาเมื่อเรามีปัญญาแล้วมีปัญญาในอะไรรู้ในอะไรจึงได้ชื่อว่าปัญญา ปัญญานี่เปรียบได้กับความสว่างเมื่อปัญญาตัวนี้ส่องลงไปที้ลงไปสู่จุดใดจุดนั้นนั้นจะถูกเปิดเผยสิ่งที่ปกปิดทำให้เรามองไม่เห็นกล่าวคือไม่รู้ก็จะถูกเปิดให้เราเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็น ในสิ่งนั้นๆขึ้นมาได้ดีกว่าความสว่างมีพระอาทิตย์เป็นต้นความสว่างคือพระอาทิตย์หรือไฟฟ้าไม่ชื่อว่าสว่างในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อย่อมมีการมีสมัยขึ้นอยู่กับการ ขึ้นอยู่กับเวลาและก็ไม่สามารถที่จะสอดส่องได้ทะลุปลุเปร์ปุโปร่งไปหมดทุกแง่ทุกมุมเพราะยังมีสิ่งที่บทบังสามารถบทบังความสว่างนั้นได้แม่แต่พระอาทิตย์จะครอบจั ก, กรวาลอยู่ก็าตามก็ยังสู้เมฆ สู้หมอกไม่ได้เมฆหมอกยังสามารถบดบังให้อับแสงลงไปได้แต่ปัญญาของคนเรานั้นยกเว้นเสียตะกิเลสเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะบดบงังจะเป็นต้นไม้ภูเขาแม้แต่พื้นปฐพีก็บอกว่นหนา 84,000 โยชพันยก็ตา่า ก็ไม่อาจที่จะบทบังความสว่างคือปัญญาของคนและสัตว์ได้แต่นี้พวกเราท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะเจาะชัยให้ทะลุ ป, ปูโปรงแม้แต่กายกับกจิตของเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใหญ่โตมโหระทึกเท่ากับต้นไม้หรือวิหารหลังนี้ก็ต่างเราก็ไม่สามารถ ที่จะเจาะหรือแทงให้มันทะลุปลุกปง่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาตาใจของเราบทมันจะมืดมันก็ไม่จำเป็นมืดกับภูเขาซึ่งเป็นศิลาแทง่งทึบเพียงแต่กายของเรากว้างสอกยาวอานาคือ มันก็มืดเหลือหลายไม่สามารถที่จะเจาะใยให้ทะลุได้โลกวิถูได้แก่ผู้รู้แจ้งโรคไม่ปรากฏแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่หมดโอกาสหรือเป็นอภิพภพบุคคลจะไม่พึงไม่อาจและไม่สามารถ ที่จะมองกายของตนให้ทะลุ ป, ปุโปกขึ้นมาได้ก็หาไม่ได้การที่เรายังมองไม่เห็นไม่ทะลุ ป, ปุโปกก็เท่ากับ ว, ว่ากายทุกส่วนของเราเป็นส่วนมากยังเป็นเหมือนภูเขาหิมะไรบท หรือยังความมืดให้เกิดขึ้นแก่จิตของเราฉะนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเราท่านทั้งหลายนั้นยังไม่อาจสามารถถึงขั้นที่จะกําจัดเครื่องบดบังยังความมืดให้เกิดขึ้น ภายในผู้รู้เครื่องบทบังจริงๆนั้นไม่ได้อยู่ที่กายแต่การที่เรามองอะไรๆ ไ, ไม่กระจา่างแจ่มมีกายของเราเป็นต้นนั่นเป็นเพราะเหตุปัจจัยอื่นต่างหาก เหตุและปัจจัยนอยู่นั่นเมื่อกล่าวสั้นๆได้แก่กิเลสมีความโลภเป็นต้นได้เป็นเครื่องบดบังและครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่คํานึงถึงว่าเราท่านทั้งหลายจะได้ทำการเพิกหรือถอน ด้วยการประพฤติปฏิบัติอดรบรมกันอยู่เสมอด้วยข้อวัดปฏิบัติมีฐานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นที่รวม รงแห่งคําสอนของพระพุทธิจา้าเรียกว่ามักนับว่าเป็นผู้ที่มีโชคอยู่หน่อยหนึ่งแต่ก็ม่ได้หมายถึงว่าจะเห็นกันอยู่เสมอเสมอหรือจะเห็นได้ทุกครั้งที่เราต้องการนั่นเพียงแต่เขาแสดงสภาพคือความเป็นจริงอย่างนี้ให้ดู และผู้ที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้หลุดพ้นถึงวิมุตคือการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็หาไม่ได้เมื่อถอดถอนออกจากจุดนั้นแล้วจิตนั้นก็คงมืดถูกความมืดปกคลุม เ ก, กล้วมั่วสุมอยู่ด้วยความสกปรกโสมมอย่างเดิมอันนี้เชื่อแสดงให้เห็นว่าสภาพจิตเดิมของเราทุกคนย่อมเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกันทุกคนเพราะทุกคนมีจิตมีวิญญาณธาตุไม่ว่ายิงไม่ว่าชาย จะนับประษาอะไรแต่มนุษย์คือคนแม้แต่สัตว์ดิรกชานจิตดั้งเดิมแท้จริงเขาก็มีสภาพเหมือนกับจิตเราผู้ที่เป็นมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นจิตของเรานี่ยถูกความมืดเข้าครอบงำถูกโคลนต้มมันหุ้มห่ออยู่ตลอดเวลา ถึงแม้เขาจะเป็นธรรมชาติที่พ่องใสจะรัดแสงเพียงใดก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะได้พบเห็นหรือมีโอกาสนำมาใช้กับโรคนี้ได้เลยนอกเสียจากที่พวกเราท่านทั้งหลาย ถึงแม้ว่าผู้ใดไม่เคยพบเคยเห็นก็ตามและผู้ที่เคยพบเห็นความจริงเช่นนั้นมาแล้วก็ตามเราทุกคนทั้งเห็นและไม่เห็นรู้และไม่เคยรู้ก็สามารถที่จะชำรสะสสารจิตใจของเรานั้นให้พ้นไปจากเครื่องปกคลุมยังความมืด และสกปกโสมมให้หมดไปจากจิตของเราได้ด้วยอำนาจของปัญญาไม่ใช่ความสงบแต่ว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นและสามารถแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญญานั่นก็จะต้องเกิดจากพื้นฐานพื้นฐานของปัญญานั่นได้แก่ความสงบเราต้องสร้างความสงบระ ง, งับให้ปรากฏในจิตตั้งขึ้นในจิตของเราเราจะต้องเป็นผู้ครอบครองคำว่าความสงบนั้นได้ แต่เมื่อเรามีความสงบแล้วความสงบนั่นแหละเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะสร้างปัญญาแม้แต่จะมีอยู่เพียงเล็กน้อยแถวเบาและผิวผืนให้จเจริญแก่กล้าเปรงรัตสมี อันแหลมคมขึ้นมาได้ไม่มีทางใดที่จะยังปัญญาอันแหลมคมให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราได้ดีไปยิ่งกว่าภาวนาจะเป็นสมถกรรมฐานก็ดีจะเป็นภาวนาสามก็ดีนั่นแหละเป็นการสร้างพื้นฐาน ที่จะก่อให้เกิดปัญญาตาใจให้แก่พวกเราท่านทาั้งหลายดีกว่าหนทางอื่นการสดะดรับฟังอยู่เสมอก็เป็นที่มาของปัญญาสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง จินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากความค้นคิดภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากความเมื่อพูดสั้นๆเกิดจากความสงบหรือจะแปลว่าภาวนาแปลว่าความมีความเป็นก็จงเป็นผู้สงบ เป็นผู้มีอุบายที่จะยังให้เกิดความสงบขึ้นในจิตใจของตนแต่นี่อุบายรู้วิธีที่จะทำให้เกิดความสงบนั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้รู้แล้วในเรื่องของหลักเบื้องต้นรู้ทั้งกิยาบท ที่เราจะพึงกระทานั่งอย่างไรรู้ทั้งงานที่เราจะนำมาบริหารจิตใจของเราได้แก่งานของสติสติแปลว่ารึกได้เราจะอะไรมาเป็นงานของสติเครื่องระลึกรู้อยู่อันเป็นตัวปัจจุบัิ จิตใจของคนเรานั่นเป็นธรรมชาติดังกล่าวแล้วในตอนต้นว่าเป็นเจ้าความคิดเจ้าความนึกคิดปรุงแต่งนี่คือหน้าที่ของจิตเขาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเฉยแม้แต่นอนหลับไปมันก็ยังคิดมันก็ยังปรุงยังแต่งจนให้เราต้องเครีบเครื่อ อย่างเรานอนฝันจะนับประษาอะไรเราลืนตาขึ้นมาเจ้าความคิดนี้จะไม่คิดจะไม่ปรุงจะไม่แต่งให้เกิดความยุ่งเหยิงทั้งเป็นคุณและโทษทั้งในสิ่งที่เราพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ลืนตาขึ้นมามันก็ห็นแล้ว แสงสีและรูปต่างๆเมื่อมันไปอยู่ในตาไปร่วมกับบิญญาณตามันก็คิดตรุงแต่งในเรื่องของตานั่นแหละเมื่อมันไปร่วมกับหูมันก็ไปปรุงแต่งกับเสียงนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นถ้าจิตของคนเราทำงานเนี่ยจะต้องสูญเสียพลังเหมือนอย่างอาศัยร่างกายแล้วเนี่ยก็คงจะตายไปนานคงจะไม่มีหมอที่ไหนห้ามยับยังได้และคงจะไม่มียาอยียยาคงตายไปแล้วอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะต้องใช้พลัง มากเหมือนกับการทำงานในทางด้านร่างกายเลยคงไม่มีใครมีชีวิตอยู่แต่นี่มันไม่ได้ใช้พลังของกายถึงขนาดความคิดของจิตลืนตาขึ้นมามันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วก็พอที่จะสรุปความยุ่งลงมาได้ทั้งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มีทั้งคุณและโทษ ทั้งยังให้เราดีใจโสมนัสยินดีปราบรื้อทั้งทำให้เราทุกโทมนัครับแค้นใจมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเพราะเป็นหน้าที่ของจิตจิตมันมีหน้าที่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องการความสงบโดยไม่หางานให้แก่จิตย่อมเป็นไปได้ยากเพราะจิตเป็นเจ้าความคิดความปรุงความแต่งอยู่แล้วและ ก, ก็มีความชำนาญการไม่ยากแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมจิตของเรา เราก็จะต้องเปลี่ยนงานเราก็จะต้องมีการควบคุมมีหลักการว่าเราจะให้จิตของเราส่งงานอะไรไปให้จิตของเรารับรู้งานแคบๆในพระพุทธศาสนา ย่อถึงหลักของการปฏิบัติแม้จะเป็นกรรมาฐานสี่สิบข้อที่ท่านวางไว้ก็ตามในแก่สติประฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมรวมลงนี้แรกคำว่ากายกตาสติอันนี้เป็นของหยาบเป็นวัตถุธาตุสัญญาความหมายรู้ ย่อมปรากฏชัดคำว่ารูปคือกายนี้ได้แก่ธาตุทั้งทั้งสองหรือธาตุทั้งสี่ น, นย่อมเป็นนิมิตหมายที่จะให้สัญญาความหมายรูนั้นได้ดีชัดเจนจแจ่มแจ้ง เรานึกขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นง่ายๆอย่างผมบนทิศาของเรานี่ถึงแม้ท่านจะบังคับให้เราหลับตานึกรู้ด้วยสติภายในจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะนึกรู้เห็นได้ในจิตของเราคำว่าผมเร็บฝันหนังเนื้อแม้แต่ธาตุลมหายใจเข้าทีหนึ่งออกทีหนึ่งก็เหมือนกัน สัญญาของเราก็พอที่จะหมายรู้ได้สติของเราก็พอที่จะระลึกได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนกับจิตและธรรมจิตนั่นก็หมายถึงจิตของเราเป็นกุศลเป็นอกุศลจิตโลภจิตโกรธจิตหลง จิตไม่โรคไม่โกรธไม่หลงคาว่าโรบโกรธหลงไม่โลบไม่โกรธไม่หลงมันก็ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟมันมีแต่ชื่อและผู้ทํางานคือสติและจิตนั้นก็มีแต่ชื่อเป็นเรื่องของความรู้เป็นธรรมชาติที่ละเอียด เพราะงั้นนักภาวนาถ้าหากว่าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมพอเป็นไปบ้างแล้วจากของหยาบหยาบได้แก่ธาตุทั้งสี่แล้วก็เป็นของยากรู้ได้ยากเห็นได้ยากทั้งทั้งที่มันมีอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่ามันไม่มี เพราะฉะนั้นกายคตาสติก็แปลว่าเป็นผู้มีสติรละลึกรู้ไปในกายถ้าเราจะมองถึงปริมณนลว้างสอกยาววานาคืบมันก็มากนักปฏิบัติจึงยกอวการ3าคือธาตุดินกับธาตุน้ำ มาเป็นที่ตั้งของการเจริญสมถะอุบายสงบใจสร้างพื้นฐานให้ปรากฏขึ้นในจิตของเราพื้นฐานของปัญญานั่นก็หมายถึงว่าเราใช้สติระลึกหรือเราเอาผมป้อนส่งเข้าไปสู่สติเครื่องระลึกสติเหมือนกับเป็นตัวจัก อาการ32เหมือนกับวัตถุที่เราส่งเข้าไปสู่เครื่องโม่อาการ32นั้นถ้าก็ว่าเป็นงานของสติให้สติได้ทำงานคือระลึกรู้อยู่กับอาการ32นั้น อันนี้เป็นหลักที่กว้างมีอยู่ถึง12ชนิดด้วยกันเราก็ระลึกไปโดยลำดับไปโดยลำดับจากข้อที่หนึ่งถึงข้อ32แล้วก็ยอ้อนจาก32 ม, มา31มบายีบเก้า 28เลื่อยลงมาจนถึงหนึ่งทบไปทวนมาอยู่โดยการอย่างนี้จนกว่าจิตของเรานั้นจะอ่อนคลายจากสัญญาอารมณ์ในแก่สัญญารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพซึ่งเป็นอดีต ผ่านไปแล้วมักจะปรากฏเกิดขึ้นในวงการของผู้เจริญสมถะหรือภาวนาอยู่เสมอเพราะมันเป็นธรรมชาติความถนัดของจิตเขาเป็นงานประจำของจิตของใจอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการฝึกจิตของเราดังกลาง่าวเขาจึงเกิดขึ้นมาเราถือว่าเป็นการรบกวนการปฏิบัติของเราแต่เมื่อเราเป็นผู้มีสติมั่นคงเดินอยู่บนเส้นทางได้แก่าการาร32สอง โดยความสม่ำเสมอไม่ลดละถึงแม้ว่ามันจะขาดหลงลืมเราก็ตั้งขึ้นมาใหม่มันขาดลงไปเราก็ตั้งขึ้นมาใหม่ทำความรู้กันขึ้นมาใหม่จนกว่าอาการที่หลงลืมคือขาดไปนั่นหมดไปจากจิตใจของเราไอ้ตอนนี้แหละเราจะเป็นผู้แพ้หรือเราจะเป็นผู้ชนะ ถ้าเราเป็นผู้แพ้การทำงานปฏิบัติธรรมของเราก็ไม่สำเร็จในวันนั้นหรือในขณะนั้นถ้าเรามีความภาคเพียนพยายามอด ท, ทนต่อสู้จนกว่าจิตของเราตั้งมั่นแน่แน่เราก็ชื่อว่าเราทำงานสำเร็จ ปฏิบัติกิจของเราสำเร็จในขณะนั้นหรือในคราวนั้นยีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นอารมณ์เพียงเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยน้อยถ้าจะกล่าวนามของพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พุทธโธหมายถึงพระพุทธเจ้า ถ้าเราจะเริยนกายจะใสสติอย่างย่อสั้นๆได้แก่การกำหนดรู้ลมกำหนดรู้ลมเข้าทีหนึ่งออกทีหนึ่งเพียงแค่นี้ไม่มากงานไม่มากมีอยู่สองชิ้นไม่มากชิ้นถึงสามสิบสองอันนี้เป็นหลักของการ ฝึกจิตอบรมจิตน้อมนําจิตให้จิตนั้นไปสู่ความสงบเมื่อจิตของเราผู้ปฏิบัติดำเนินอยู่บนเส้นทางทั้งย่อ และทั้งพิสดารนี้ไม่ขาดสายเขาก็จะนำจิตของเรานั้นไปสู่แดนแห่งความสงบและระงับความสงบและความระงับจิตดับจากความฟุ้งซ่านและงดหงิด นั่นแหละคือเป็นจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายที่พวกเราจะต้องเดินให้ถึงเมื่อจิตของเราได้รับความสงบหรือความสงบปรากฏขึ้นในจิตของเราแล้วด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างไรกําหนดอย่างไร ทำความรู้ในรมอย่างไรทําความรู้ในการ32สองอย่างไรแรกคความรู้ในอารมณ์นั้นในงานของสตินั้นเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดไม่ชัดอย่างไร เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความรู้ความเข้าใจให้มันแจ้งชัดปรากฏชัดขึ้นมากับสภาวะที่เป็นอยู่ปรากฏอยู่ในจิตของเราขณะที่เป็นตัวปัจจุบัน น, นขณะ น, นี้เวลานี้เมื่อจิตของเรามีความสงบ ความสงบนั้นจะมากก็ตามน้อยก็ตามเรียกว่าสงบสงบนี้มีอยู่สองนัยยะด้วยกันสงบนยนะัยะในยะหนึ่งนั่นน่ะจะรมกว้างหรือแคบก็ตามหมายถึงสติของเราตั้งมั่นอยู่กับงานของใจ ถ้ากำหนดลมรูล้ลมก็จิตนั้นไม่ลืมลงไม่เผลอหลมจนลืมเข้าและออกอย่างใดอย่างห น, นึ่งก็ตากำหนดรู้ได้ทั้งเข้าและออกโดยตลอดถ้ากำหนดอาการ32สติของเรานั้นก็เดินตามจุดเคือการ32นั้นโดยสม่ำเสมอ ไม่ขาดไม่เขินไม่หลงไม่ลืมนี่ความสงบหรือสมาธิได้เกิดขึ้นความสงบหรือสมาธิเกิดขึ้นในขั้นนยะนี้นั่นเป็นแค่เบื้องตน้นยังไม่พ้นไปจากเครื่องรบกวนซึ่งเป็นธรรมาชาติมีอยู่ นั่นได้แก่สัญญาอารมณ์จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามโดยมากมันก็เป็นรูปนั่นแหละเป็นเครื่องรบกวรได้มากกว่าสัญญาอื่นๆเราจะเห็นได้เลยว่าสัญญาในรูปอดีตนั้นก็ศัก์แต่ว่าสัญญา ตัวรู้ของการภาวนาของเรานั้นไม่ได้ทิ้งกับการทำงานในปัจจุบันไปรับรู้ในเรื่องของสัญญาทั้งหมดเหมือนกับบางต้นหรือเหมือนกับบางครั้งในตอนต้นหรือในถ้ำกลางในท้าปลายก็ตามทำมามากนานก็ตามถ้าสติไม่มั่นคงเหนียวแน่น แม้เราจะนั่งมาสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ตามมันก็อาจจะเผลอได้ขาดได้สติขาดไปจากงานได้แร่นไปสู่อารมณ์คุกเข้ากับอารมณ์ได้เมื่อสมาธิตั้งมั่นและอาการเช่นนั้นจะไม่เกิดไม่เปิดแต่สัญญาอารมณ์นั้นยังมีอยู่ก็สักแต่ว่าสัญญาอารมณ์ ถึงจิตนั้นตัวรู้นั้นจะยังรับรู้ในเรื่องของสัญญาลมนั้นก็รับรู้เพียงแค่สัจธว่าสัญญาที่เกิดขึ้นรู้เท่านั้นแต่ไม่พอที่จะทำให้เกิดความอยากความติดใจเหมือนกับคราวที่จิตของเราไม่เป็นสมาธิสมาธิไม่มีในจิต นี่เราสังเกตให้ดีนี่เป็นนยะแรกนยะที่สองนั่นสมาธิเกิดขึ้นสัญญาดับสัญญาดีตนาคตดับสนิทไปจากใจไม่เกิดไม่เกิดในใจของผู้ภาวนา นี่คือสัญญาณอันนี้เป็นสมาธิอย่างเต็มขั้นตอนสมบูรณ์บริบูรณ์ของคําว่าสมาธิความสมบูรณ์ของสมาธิในขั้นต้นนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ายังมีสัญญาเป็นสมาธิในยะระยะแรกหรือระยะหนึ่งนะั้น สมาธิในขั้นต้นต้นของคําว่าสมาธินั้นจะต้องดับไปจากสัญญาสัญญาไม่มีในจิตเมื่อถึงขั้นสัญญาไม่มีในจิตแล้วอันนี้เราก็พอที่จะมองเห็นผลของคําว่าสมาธิได้อย่างชัดเจนผลปรากฏชัดความวิเวกแห่งกายและจิต ก็ค่อยจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราภาวนานั้นความสงัดแห่งใจมันก็ค่อยจะเกิดขึ้นไปโดยลำดับลำดับขั้นตอนของการภาวนาของความเป็นสมาธิภายในจิตใจของเรา เรามีจิตสงบเพียงแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบาทฐานควรแก่การเจริญปัญญาซึ่งเรียกว่าวิปั ส, สนาได้แต่เมื่อเราเจริญปัญญาคือวิปั ส, สนานั้นจะเกิดผลเป็นเรื่องของวิปั ส, สนาอย่างเต็มขั้นตอนหรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่ กับพลังแห่งจิตของเราหรือพื้นฐานอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสงบเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะเจริญภาวนาได้เราเป็นนักปฏิบัติให้เราจงตั้งข้อสังเกต ไปทุกขณะหรือขั้นตอนของความเป็นในจิตของเราแต่ว่ามันจะเป็นธรรมดาของเราอยู่อย่างหนึ่งถ้าเมื่อเรามุ่งต่อการปฏิบัติอันใดเราก็จะรู้เห็นปักใจอยู่กับการปฏิบัติอันนั้นส่วนนอกนั้นนั้นถึงแม้จะมีอยู่ รู้ก็สักแต่ว่ารู้แต่เราไม่สามารถที่ทำความแจ่มแจ้งเข้าใจได้โดยชักกดจิตเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของเรานั้นมีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วสมาธิได้ปรากฏขึ้นปรากฏผลแก่เราอย่างไร เราก็จะรู้เห็นของความเป็นสมาธินั้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งโดยไม่สงสัยคำว่าไม่สงสัยนะั้นไม่สงสัยในสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะไปรื้อถอนความสงสัยอื่นนอกจากความเป็นในขณะนั้นหรือลึกซึ้งละเอียดกว่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่สงสัยในความเป็นของแต่ละขั้นตอนนะเมื่อเรารู้ว่า ความสงบเป็นอย่างนี้สัญญาอารมณ์อดีตอนาคตดับจิตของเรารู้สึกเกิดความวิเวกสงัดวังเวงขึ้นมานั่งกันอยู่เป็นร้อยก็เหมือนกับอยู่องคเดียวหรืออยู่คนเดียวแต่นี่ความสุขสบายปลอดปร่งทั้งกายและจิตมันก็ค่อยเกิดขึ้นปรากฏขึ้นอันนี้เป็นผล ผลของคาว่าสมาธินั้นเมื่อเรารู้ในความเป็นในปัจจุบันของเราอย่างนี้ได้อย่างชัดเจนเราก็อย่าเป็นผู้รับรู้อยู่เฉพาะในความเป็นในปัจจุบันขณะนั้นเพียงอย่างเดียวเพราะจิตของผู้ที่เป็นสมาธิในขั้นนี้เป็นขั้นตื่นตื่นสามารถที่จะค้นคิดอะไรก็ได้ สามารถที่จะระลึกถึงอะไรก็ได้ถ้าเมื่อเราต้องการจะระลึกถึงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ในความเป็นปัจจุบันจิตวิเวกกายวิเวกจิตสงัดกายสงัดจิตเย็นสบายสุขสบายเพราะจิตของเราเป็นอย่างนี้ความสงบเกิดขึ้น เราก็สามารถที่จะรู้ตรงกันข้ามเพราะจิตไม่สงบแล้วมันเป็นยังไงจิตที่มันยังมากดูสิสัญญาอารมณ์ดีอนาคตมันเป็นยังไงมันต่างจากจิตที่สงบระงับจากสัญญาอารมณ์อย่างไรนี่เราก็ย่อมจะมองได้สอดส่องได้ทําความรู้ได้ทําความเข้าใจได้ แล้วก็สามารถรู้ได้ถึงแม้กระทั่งพิสูจน์ผลของจิตของเราที่เคยเกลือกกล้วมั่วสุมอยู่กับสัญญาดีธนาคตปรากฏเป็นผลถูกใจชอบใจลื่นเลงบันเทิงใจไม่ถูกใจทำให้เราเป็นทุกข์เพราะสมหวังไม่สมหวังอะไรเหล่านี้ผลของมันแตกต่างจากที่ปรากฏในจิตของเราอย่างใดขณะนี้ นี่มันจะวัดเทียบเคียงหรือมองเห็นโดยชัดแจ้งทุกอย่างจะปรากฏเห็นโดยเด่นชัดแม้แต่เราจะกำหนดปนิทพิจารณาไปในเรื่องของอารมณ์กรรมาฐานที่กว้างขวางก็เหมือนกันเมื่อเราเดินไปกำหนดไปพิจารณาไป จิตเป็นสมาธิไปมันเป็นยังไงอารมณ์กว้างๆสบายอย่างกว้างๆสมาธิอย่างกว้างๆมันมีผลอย่างไรมันย่อมประจักษ์แจ้งในจิตของเราเมื่อเรากำหนดไปพิจารณากำหนดไปเรื่อยๆทำความรู้ไปเรื่อยๆกลับไปกลับมากลับไปกลับมา แนี่เราลองหยุดอยู่สิหยุดเพ่งอยู่ในจุดเดียวจะเป็นผมก็ได้มันเป็นยังไงมันอยู่ไม่อยู่มันอยู่แล้วเป็นยังไงอยู่นานไม่นานมันทดสอบได้ทั้งนั้นทําความรู้ทําความเข้าใจในการปฏิบัติของเราได้ทั้งสิ้น เมื่อเราจะเรนไปจะเรไปแล้วอันนี้คือเราหยุดหยุดหมดก็ได้สามสิบสองโยนกองไว้ข้างนอกกำหนดรู้ในจิตมันจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่มากอยู่น้อยเมื่อวางสิ่งทั้งปวงเองลงไปแล้วเป็นยังไงจิตเรามันก็จะรู้อยู่ไม่นานก็จะรู้ แเมื่อมันอยู่แล้วนานไม่นานก็ตามตอนี้เราลองมากำหนดทำความรู้อยู่อย่างนั้นแหละต่อพิจารณาลงไปด้วยว่าเป็นสุภาพปฏิกูลขยายความออกไปจเจริญอยู่อย่างนั้นกำหนดอยู่ยนั้นพิจารณาอยู่งั้นเพ่งอยู่อย่างนั้นกลับไปกลับมาจนกว่ามันจะรักของมันเอง จนกว่ามันจะทิ้งงานแม้แต่เป็นสมาธิอย่างกว้างสติละทิ้งไปเลยไม่มีงานอยู่ในสติคือเครื่องระลึกสตินั้นคงมีงานอยูงเดียวคือรู้จิตก็เป็นสิ่งที่เราจะพึงทดลองปฏิบัติกันได้เรื่องเหล่านี้ไม่มีใครห้ามเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนะี่ย เราผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้แจ้งในภาวะคือความเป็นในจิตของเราเมื่อเราออกถอนมาแล้วจากสมาธิเราก็ควรที่จะต้องทบทวนปินิพิจารณาด้วความเป็นนั้นขนะที่เข้าไปเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาพิจารณาทบทวนกับความสุขความทุกข์ความดีความชั่วที่ เป็นอยู่ในโลกตั้งแต่เราเกิดรู้จักเดียงสามาถึงปัจจุบันคือความเป็นสมาธิเกิดขึ้นในจิตของเราเหตุผลต้นไปรสชาติมันผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไรเราจะเป็นผู้รู้ชัดมองกว้างเท่าไรเราก็จะเห็นความเด่นชัดกว้างเท่านั้นนั่นแหละคือปัญญา นี่แหละคือเป็นตัวปัญญาทําให้เรารู้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้ผลเห็นความแตกต่างจากผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจสงบและความไม่สงบที่มีรอบจิตใจของเราเมื่อเรารู้ได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ชื่อว่าปัญญาแล้วเราจะเรียกว่าอะไร เพราะนั้นเราศึกษาค้นว่าปฏิบัติเรื่องของพระาศาสนานะั้นเราก็ต้องการผลคือความสะอาดกายวาจาและจิตใจและยังความสว่างคือปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นในที่สุดเพราะนั้นทั้งเหตุผลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันดำเนิน ด้วยความมุสาหาวิริยะนั้นล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปทาที่จะก่อให้เกิดผลตามนะยะที่ได้ชี้แจงแสดงสู่กันฟังในวันนี้เพราะฉะนั้นก็จึงขอยุติของการได้กล่าวทำสู่กันฟังแต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนัน